สิริพระพุทธศาธสนาายุการนับจำเดิมแต่วันปริณิพานแห่งองค์สมเด็จพระหันตะสัมมาสพัพพะรเจ้าบัตรดีได้ล่วงไปแล้ว2 5 4พาร้สสิพรรษาปัจจุบันละสมัยสุลทินที่23่สมกุพาพัน พศออ2000พุทธศั ก, กราช2548วันพุทธวันนี้มีในดังพุทธศาสนิกชนจะเพิงกํำหนดนับด้วยประการและเช่นนี้เวนหน้าต่อนี้ไปขอเชิญชวนมวลหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จงต้องโสตประสาทคอยรองรับพุทธพจน์ลดพระธรรมเทศนาดังอาตมาภาพจะได้ขี้แจงแสดงต่อไปตามสมวควรแก่เวลาขอนอบน้อมต่อพระตนนาฏย์เปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จเจริญพอดอยอดโยมสาธุชน เพืที่สนใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศ า, ส, าศสนาของพวกเราโดยเฉพาะกรุงเทพได้จัดเป็นกิจกรรมมันใหญ่โตณนะที่สนามหลวงแห่ง น, นี้เรียกว่าสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา อาตมาก็อยู่บ้านนอกจังหวัดเขตจากกรุงเทพไปประมาณ400รยกิโลก็ได้ยินข่าวเห็นภาพที่สนามหลวงที่จัดสัปดาห์แห่งพุทธศาสนาแล้วก็ปีนี้ก็ได้รับนิมนต์ให้มาแสดงธรรม แต่ว่าไม่ได้หมดโดยตรงก็เพื่อนที่วัดเป็นผู้รับให้ก็จะได้มาแสดงทำอยู่ก็ในวันนี้เราทั้งหลายาลก็รู้จักแล้วว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าโดยทรงแสดงโอวาทปฏิโมกัานเป็นคำสอนที่สุดยอดสรุปคำสอนทั้งหมด ลงตัวอย่างงดงามทุกคีวิตสามารถที่จะนำไปปฏิบัติกับชีวิตทุกชีวิตได้เป็นธรรมสาสกลข้อว่าละความชั่วทำความดีทำคิดให้บริสุทธิ์หรือว่าเป็นสากลที่สุดหมายถึงชีวิตของทุกชีวิตตั่นเอง ไม่ใช่อยู่คนละเรื่องกับชีวิตเราการเล่าความชั่วการทำความดีเราปฏิเสธไม่ได้ไม่ต้องไปอ้างเพศไวลัทธินิกายชาติชาติวันนะั้นไห น, ไหนทุกคนก็คือชีวิตชีวิตคือทาให้ถูกต้องเป็นความชอบทาก็คือเล่าความชั่วทำความดี ไม่ใช่เป็นคําสอนที่อยู่ในตำรับตาราเป็นเรื่องของชีวิตเราล้วนๆการละความชั่วก็เป็นเรื่องของกายของวิจาของจิตใจของเราแล้วก็ง่ายๆไม่ยากโดยเฉพาะวิธีที่จะละความชั่วทําความดีทํากิจให้บริสุทธิ์ เป็นการที่ครบวงจรสำหรับนําไปปฏิบัติก็คือเรื่องของกรรมฐานหรือภาวนาที่สอนกันอยู่ในประเทศไทยภาวนาคือพระอทาคำสอนเราเริ่มต้นจากการเจริญสติตามรอยยุคนบาทของพระศาสดาของเรา ก่อนที่จะเกิดทำให้อวาทปฏิโมกนี่พระพุธองก็เคยได้ปฏิบัติในหลักของภาวนาในรูปทำเห็นทำจึงได้มาทรงแสดงอวาทปฏิโมกแก่พระิกภราหันหนึ่งพันหรูปก็พิสูจน์ได้ทันที นับดูตั้งแต่วันพระองค์ตัดสรู้ประมาณ9เดือน8เดือนนี่องก็ได้สอนเรื่อง ก, การเจริญสติตามหลักของมหาสติประธานสูตรพิสูตรเกเดือนเนี่ยตั้งแต่เดือนวันเพ็ญเดือนหถึงวันเพ็ญเดือนสมเนี่ยมีผู้ที่ได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นโพลหัน หนึ่งพันสองรอยห้า ส, สิบลูกพอเรียกว่าที่สุ์ได้แล้วงองจะมาตัดโอวาสปฏิมโม่ให้ลื่นเลงบันเทิงในหมู่พระลหันเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่กันเป็นหลักสาคนที่สุดพอสงฆ์ทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ชื่นชมยินดีนำไปเผยแพร่นำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการเจริญสตินี่จเจริญสติอย่างเดียวรู้สึกตัวตามหลักของสติปัฏฐานสุตรกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติดูกายการมีสติดูกายเป็นที่ตั้งเป็นฐานเป็นที่ตั้ง มันก็รับความชั่วไปทันทีขณะที่มีสติดูกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งมันก็ทำความดีไปในตัวขณะที่มีสติดูกายเคลื่อนไหวเป็นที่ตั้งมันก็ทำให้จิตบริสุทธิ์ทันทีทำของยากให้เป็นของง่ายทำของหนักให้เป็นของเบา ทำของมากๆให้เป็นของน้อยน้อยงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับผู้ที่ได้เข้าหลักของกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือเราเรียกว่าภาวนาในที่นี้ก็ได้ที่มนครูอาจารย์มาพูดเรื่องปฏิบัติธรรมกระทั้งนั้น ผมจะได้ยินได้ฟังกันมากสำหรับการฟังการฟังเพื่อให้เกิดความรู้เมื่อเกิดความรู้แล้วนำไปปฏิบัตินำไปทำดูแล้วก็จะได้คําตอบเมื่อได้คําตอบก็เกิดการพบเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ ก็เป็นการละความชั่วเป็นการทําความดีเป็นการทาําจิตให้บริสุทธิ์ได้ทันทีไม่ต้องมีคําถามผู้ปฏิบัติรรมตามหลักของมหาสติปัฏฐานสูตรไม่ต้องมีคําถามเพราะมันเกิดการพบเห็นเข้าไม่ใช่เรื่องคิดเห็นมันเป็นการพบเห็น สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราโดยเฉพาะกายของเราใจของเร า, เราหรือว่ามันเป็นตำรามันเป็นตำราที่เราจะต้องศึกษาเรามีสติดูกายโดยใจเท่ากับเราเปิดตำราเล่มใหญ่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจจะบอกเรา ความสุขความทุกข์ความเท็จความจริงความผิดความถูกมันจะบอกเราผู้ที่มีสติก็พบเห็นได้บทเรียนได้ประสบการณ์จากสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของผู้ปฏิบัติจึงไหนเกิดขึ้นเช่นกายานุปัสนา ในคําสอนก็บอกว่าให้เรามาดูกายการดูกายก็มีหลายอย่างที่เกี่ยวกับกายจะเป็นลมหายใจเข้าหายใจออกว่าแต่เราดูอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจก็เป็นเรื่องของกายการเดินจงกรม กลับไปกลับมาให้รู้สึกอยู่กับการก้าวไปก้าวมาของกายนั่นก็เป็นกายหรือวิธีเคลื่อนไหวมือยกมือไปยกมือมาเจตนาที่จะสร้างความรู้สึกตัวขยันรู้ให้มันตรงกับหลักภาวนาภาวนาก็คือการขยันรู้อย่าอยู่นิ่งนิ่ง อย่าไปอยู่ในความสงบให้สร้างความรู้สึกตัวเวลาใดที่มันสงบเราก็จะเห็นถ้าเรามีความรู้สึกตัวเวลาใดที่มันฟุ้งซ่านเราก็จะเห็นภาวะที่เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันก็จะเป็นบทเรียนไปเรื่อยๆเป็นประสบการณ์ไปเรื่อยๆ หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญามันจะเกิดให้ผู้จเจริญภาวนาได้พกเห็นเมื่อพบเห็นบ่อยๆมันก็คุ้นเคยเช่นเราดูกายเคลื่อนไหวมันก็จะเห็นกายต่อหน้าต่อตาเมือเราอยู่ตรงไหนหรือเราเดินจงกรม ก้าวไปทีละก้าวรู้ทุกก้าวที่ก้าวไปการรู้สึกที่ก้าวไปมันไม่ใช่รู้เฉพาะที่ก้าวไปเมื่อตาที่เราเห็นอะไรบ่อยๆมันก็ต้องเกิดสิ่งต่างๆเกิดจำเช่นเราเห็นหน้ากันการเห็นหน้ากันบ่อยๆเพราะจำหน้ากันได้เมื่อจำหน้ากันได้ ก, ไดก็รู้จักคดีนิสัยของคนคนนั้น เราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนคขนั่นถูกต้องเป็นบัณฑิตอย่างไรเป็นคนผ่านอย่างไรการที่เรามีสติมาดูกายเนี่ยเราก็จะเห็นกายเห็นเป็นรูปเห็นจิตเห็นใจเห็นเป็นนามเป็นรูปเป็นนามแต่ก่อนเราก็ถืกว่าเป็นกายในคำสอนก็บอกตัดไว บอกเลยว่ากายสภาวากายไม่ใช่สรรพคลตนตนเราเขาเราก็พูดได้พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่เกิดการพบเห็นจริงๆเราเห็นต่อหน้าต่อตาหนึ่งวันสองวันสามวันมีความรู้สึกตัวอยู่ที่กายความรู้สึกตัวกับกายมันก็ติ กายมากกว่าคุ้นเคยกับความรู้สึกตัวมันก็ติดความรู้สึกตัวไปติดอยู่กับกายมันก็ไม่หลงแต่ก่อนเราหลงกับเรื่องของกายมีมากกายทำให้เราหลงยเยอะแยะแต่วันนี้พอเรามาหัดกายนี่แหละจะเป็นวัตสุอุปกรณ์ทำให้เราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเวลาไดมันหลงที่กาย แล้วก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เรียกว่าปฏิบัติแล้วการเปลี่ยนหลงเป็นรู้นั่นแหละเป็นนักปฏิบัติแล้วเขาก็จะหลงให้เห็นแล้วก็สนุกเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เรื่อยไปผู้ที่เจริญสติอยู่กับกายไปนานนานเมื่อมันรู้สึกตัวอยู่ที่กายเวลามันหลงมันไม่เอา มันไม่เอาเพราะความหลงไม่ไม่ถูกต้องความรู้ตัางหากที่มันถูกต้องเ้าก็ไม่มีคำถามเวลาใดเราหลงเราก็รู้ว่ามันหลงแล้วก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นี่มันถูกต้องมันชอบทำความหลงไม่เป็นการชอบทำความรู้ต่างหาที่เกิดความชอบธรรมต่อชีวิตตาเราก็ค่อ ย, อยที่จะ พบเห็นสิ่งต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอันเกี่ยวกับกายกับใจของเราแล้วยิ่งไปเห็นกายว่ามันเป็นรูปมันก็เป็นรูปจริงๆพอเห็นเป็นรูปก็ไม่มีตัวมีตนอยู่ในกายอาจจะไม่ต้องใช้คำพูดว่ากายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์กับคนตัวตนเราเขาอาจจะเพียงบอกว่าเห็นแล้วรูปแล้วรูปแล้วละ ว่านี่คือกายคือรูปจริงๆการที่จะมีตัวเมตตนอยู่ในกายก็จะไม่มีเรื่องของกายไม่มีตัวเมตตนอยู่ในกายเป็นแต่เพียงพวเห็นแต่ก่อนนี้เรามีตนอยู่ในกายเก็บปวดก็คือตนคือกูร้อนหนาวก็คือกูปวดกูร้อนกูหนาวกูหิว พอมามีสติเข้าไปเข้าไปมันไม่ใช่ไปมีกูมิเทเห็นการเห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายก็ได้คาตอบไม่จนเราเคยหลงเรื่องของกายเคยเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่องของกายเคยมีสุขเป็นทุกข์มันก็จะไม่มีถ้าจะตอบก็ตอบว่าเป็นอาการ เป็นอาการของกายที่เขาแสดงออกก็เกิดปัญญาแต่ก่อนนี้นึกว่าตัวว่าตนเป็นตัวเป็นตนเต็มที่หัวเราะร่องให้พ่อกายเพราะกายที่เขาแสดงออกเห็ <S <s นความปวดที่มันเกิดขึ้นกับกายที่เราเรียกว่าเวทนาก็าตาม แต่ก่อนเราเลียนธนาทำ้เราเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็อยากได้สุขเรากกลัวรทุกข์เวลาดใลาดที่มันสุขก็พอใจเวลาใดที่มันทุกข์ก็ไม่ชอบพอมาเห็นเป็นรูปเป็นนามเรามันก็ไม่มีความชอบความไม่ชอบอยจ่ใดสุขในทุกข์เห็นเป็นอาการอาการของรูปมันก็ไม่ยิ่งใหญ่อะไร แต่ก่อนมันมีตัวเวทนตรมันก็ยิ่งใหญ่สามารถที่จะข้าศาัลลากดึงให้เราเป็นไปตามอาการต่างๆนี่ผู้ที่เจริญสติมักจะได้คำตอบมักจะเกิดการพบเห็นการพบเห็นไม่ใช่การคิดเห็นการคิดเห็นมันอยู่ไกลอาจจะแค่อะไรไม่ได้แต่การพบเห็นมันอยู่ใกล้ๆ ความหลงกับความรู้มาพร้อมกันเก็นความทุกข์กับความไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นพร้อมกันสามารถเปลี่ยนได้เรื่องของกายที่เคยเป็นทุกข์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นความไม่ทุกข์ได้นี่ก็แก่กล้าเข้มแข็งขึ้นเห็นกายก็สักว่ากายได้ลื่นไปได้สบายมากเรื่องของกายไม่มีตัวเมตตนอยู่ในกับกาย กายไม่สามารถที่จะให้เป็นสุขเป็นทุกข์ได้มีแต่คําตอบว่าเป็นอาการของกายเรียกว่ากายหยาดปัญชนาเวทนาก็เหมือนกันเป็นสุขเป็นทุกข์ความสุขความทุกข์ทำให้เราหลงอยู่ตรงนั้นก็มีมากพอมาเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วไม่เอาสุขเอาทุกข์พอเรื่องรูป เป็นเป็นอาการเบาลงไปได้คำตอบอาการของกายก็มีจริงขอบคุณเขาเขารูจะกปวดจากเมื่อยรูจักร้อนรูจักหนาวรูจักหิวขอบคุณเขาเป็นสัญญาณภัยของเขาถ้าเขาไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีหิวไม่มีเก็บไม่ปวดขเขาก็อยู่ไปหลอก แต่เราหลงกังหาที่ไปยึดแต่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์มันไม่ใช่ผู้มีสติมักจะมีคำตอบเฉลยได้ถ้าเรามาดูเขาตอบได้เหมือนพระพุทธเจ้าสอนจริงๆว่ากายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปู่คนตัวตนเราเขาเวทนาก็เหมือนกัน เป็นสุขเป็นทุกข์ก็สักว์ปฏิเวทราไม่ใช่สัตว์บุคคลตนตนเราเขาเป็นอารมณ์อของกับปาาัจจไต่เท่าไปฉาดเลียวฉลาดไปของหนักกายเป็นของเบาของยากกายเป็นของง่ายตลอดถึงการเจริญสติไปเห็นจิตที่มันคิดลักษณะของกิดคือคิด ควาคิดนี่ออกหน้าออกตาแสดงเป็นหมายเลขตึงที่กิจนะที่ว่ากิตตาดุพัฒนาคือมันคิดตัวคิดนี่มันก็มีอยู่สองลักษณะตั้งใจคิดกับความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันคิดขึ้นมาเองแต่เวลาเราปฏิบัติเราก็ไม่ควรที่จะไปหาเรื่องมาคิด ให้เป็นกรรมฐานล้วนๆอาศัยการกระทําบุกเบิกอย่าไปใช้สมองไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลอาอการกระทําเรียกว่ากรรมฐานมีที่ตั้งแห่งการกระทํามีสติดูกายเรื่อยไปดูกายเมื่อเรจะเห็นกิตออกหน้าออกตาแฉงหน้าแฉงหลังแล้วก็สนใจ เห็นความคิดตัวเองเกิดการพบเห็นความคิดความคิดก็เป็นเรื่องของจิตจิตมันก็ต้องคิดทวารของจิตคือมันคิดแต่ก่อนเราก็หลงไปตามความคิดทําตามความคิดคิดอะไรก็เรียกว่าตัวว่าตนคิดที่ไม่ได้ตั้งใจต้องกลับมาทันทีกลับมาตั้งไปที่กาย ดูลมหายใจหรือดูการเดินจงกรมหรือการเคลื่อนไหวยกมือสร้างจังหวะตามแบบของสัมปชัญญะบัพพะสัมปชัญญะบัพพะคือกายบัพพะจิตแต่ บ, บัพพะคือมันเคลื่อนมันไหวเอามาเป็นบทเรียนอย่าให้มันเคลื่อนไหวฟรีเช่นความคิดก็อย่าให้มันคิดฟรีฟรฟรลู่จักเห็นมันที่มันคิดที่ใดเห็นมันลู่ทัน รูดทันความคิดมันคิดครั้งที่1ก็รูด1ครั้งทันกับมันมันคิตสองครั้งก็รูดทันสองครั้งแล้วก็กลับไาเมื่อเราดูอยนี่บ่อยๆก็เห็นมันเป็นดันหนึ่งที่มันคิดขึ้นมาไม่มีตัวมีตนอยู่ในความคิดประสบการณ์ได้บทเรียนจากความคิดก็ไม่มาก บางคนไม่เคยเห็นความคิดตัวเองไปกับความคิดตลอดเวลาความคิดอย่างเดียวก็ต่อไปเป็นความยินดียินร้ายต่อไปเป็นความโรคความโกรธความหลงต่อไปเป็นกิเลสตัณหาราคาได้ตั้งต้นจากความคิดที่บันหลงคิดอย่างเดียวไปไกลผู้ที่เจริญสติก็เห็นความคิดแล้วกลับมา กลัมาตั้งใบเตยกายคิดที่ใดก็กลับมาคิดที่ใดก็กลับมาเอาไปเอามาตัวคิดมันก็ไม่มีท่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ยิ่งใหญ่สติมันยิ่งใหญ่กว่าถูกต้องกว่าเป็นธรรมกว่าเมื่อมันยิ่งใหญ่มันก็มีอำนาจบางทีความคิดที่มันลกคิดมันก็อ่ายทายสติเหมือนกับว่าสตินี้ เป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจแต่ก่อนนี้ชีวิตเราไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ดูแลกายก็กายเถื่อนเถือนใจก็เถื่อนไปจะหอบพิ้วไปไหนก็ลลงไปกับเขาไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ดูแลผู้ที่เจริญสติเนี่ยเหมือนกับมีเจ้าของผู้ดูแลกายใจผู้ดูแลกายจิตเหมือนรถโย้าช่อง วัตถุสิ่งของที่มีเจ้าของมันก็ไม่เป็นเลือกป่าเถื่อนมันอยู่ในความชอบบางทีความคิดจะต้องอายอายความรู้สึกตัวมันไม่กลา้าเพราะไม่จริงเหมือนกับโจรผู้ร้ายที่มาลักของที่มีเจ้าของแม้แต่เด็กตัวเล็กๆก็ยังอายยังกลัวถ้ามีเจ้าของดู ความหลงความคิดเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็ค่อยถูกสอนไปแต่พืตอเติบไปบางทีต้องต้องขาดอะไรก็ตามแมั้นมันจะสุขจะทุกข์พอเราหัดไปหัดไปมันก็ต้องมาเข้าข้างความรู้สึกตัวเข้าข้างความรู้สึกตัวหาคำตอบให้ความรู้สึกตัว เป็นตัวเฉลยเยก่อนไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผลความรู้สึกตัวถือเป็นตัวเฉลยปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับกายกับใจสบายแล้วไปแต่ก่อนนี่เรามีเหตุมีผลทำไมทำไมทาไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้นนอนพอผู้ปฏิบัติเจริญสติไปคาว่าทำไมจะไม่มีมีแต่ เป็นเรื่องที่เข้าใจเป็นเรื่องที่พบเห็นเป็นการพบเห็นมันสุขก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นมันสงบก็เห็นมันหลงก็เห็นมันรู้ก็เห็นภาวะที่เกิดการพบเห็นเนี่ยเหมือนกับว่าได้ได้ถามได้หลักได้ถรรถ้าเกิดการพบเห็นแล้วความหลุดพ้นก็ว่าพร้อมกันถ้าเห็นแล้วความหลุดพ้นก็เกิดพร้อมกัน เมื่อกี้นี่หลวงพ่อนั่งอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์มีนักปฏิบัติเข้าไปถามเวลาปฏิบัติทานั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยจะทํายังไงมันสู้ไม่ได้หลวงพ่อก็เลยถามว่าเป็นผู้ปวดเป็นผู้เมื่อยหรือหรือว่าเห็นมันปวดเห็นมันเมื่อยเขาก็ตอบว่าเป็นผู้ปวด ถ้าเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยล้วก็ยากเป็นเรื่องที่หมดเนื้อหมดตัวถ้าเป็นผู้ปวดหมดเนื้อหมดตัวเลยสำหรับนักปฏิบัติผู้ที่เจริญสติล้วนๆนเน่ยเขาจะเห็นเห็นมันปวดเห็นมันเมื่อยพอท่านเท่าไหร่ที่ฟังอยู่เนี่ยลองหัดตอบเรื่องนี้ลองดูหัดตอบตัวเองนี่แหละ เห็นมันปวดมันเมื่อยเห็นมันปวดมันเมื่อยไม่ใช่เป็นผู้ปวดผู้เมือ่อยอันไหนมันจะหนักอันไหนมันจะเบาหัดตอบลองดูเช่นมันหิวเป็นผู้หิวหรือว่าเห็นมันหิวหัดตอบลองดูเลือกกลองดูถ้าเป็นผู้หิวหมดแล้วหมดแล้วหมดตยูตรงนั้นเป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงนั้นถ้าเห็นมันหิว จะไม่หมดเนื้อของบตัวเบาๆบอกง่ายง่ายความหิวก็ทำอะไรให้เราไม่ได้เรื่องของกายของใจเนี่ยมีแต่ภาวะที่เห็นเพราะสติมันจะพาเราไปถึงตรงนั้นทำให้เกิดการพบเห็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจถ้าเห็นแล้วหลุดคน เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายสัตย์ก็ต่อไปต่อไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตที่มันโชว์มันโชวม์มากมากสำหรับผู้เจริญสติไม่ใช่เหมือนกับสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานมันสงบไปเลยสิงเหล่านี้ไม่ค่อยโชว์สงบแล้วเมื่อออกจากความสงบมันก็ยังโชว์เหมือนเดิมไม่ผ่าน ผู้ที่จเจริญสติรุวนรนหรือว่าสุขวิปัสสโกผู้จเจริญสติรว่นร่น น, น่จะแก้ไปจะสกบละมับไปเรื่อยๆไปมันโชว์ไว้ได้ตลอดสิ่งไหนที่มันโชว์ออกหน้าออกตายิ่งดีใหญ่นะตอบได้แต่เพุทธเื่อไปเวทนาบันโ์หรือทำให้เรากลัวเข็ดหลาบเวลาใดจะนั่ง ปฏิบัติทำหลบกลัวเวทนาจะนั่งได้หรือเปล่าเพิกหน้าเพิกล้างไม่เป็นไรดูซื่อๆดูตรงๆเข้าไปให้มันออกหน้าออกตานะจะได้เห็นมันเมื่อเกิดตัวไหนที่มันดือ้อจะได้เห็นมันจะได้สอนมันจะได้รู้จักเกลิตของมันนิสัยของมันเราเคยจํำน้นมันพอเราดูไปศึกษาไปมันพบทาง นะมันก็ผ่านได้มันจะเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาไม่หนีหนะ้าไม่หนีปรากฏการปรากฏการอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจไม่หนีไม่ห น, นีดูแต่เพืพ่อเพือไปของจกิงก็ต้องทนต่อการพิสูจน์สิ่งใดที่ไม่จริงก็ทนต่อการีิสูดนไปได้ได้คำตอบเป็นปัจจัดตัง ลูกเองเห็นเองประจักแ์แก่กับผู้ปฏิบัติก็ผ่านได้แต่ถ้าจะเรียกว่ากายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีหรือธรรมก็ดีที่มันเกิดขึ้นกับใจพวกไร่พวดีพวกเหงา เ, ห, าเ ห, าหนอนเป็นกุศลอย่างไรเป็นละกุศลอย่างไรที่มันมาครอบงำจิตมีสุขมีทุกข์ ต่างๆผ่านได้เมื่อกระดานที่มันเคยกักขังเราเ่อเราเดินทางเมื่อถูกด่านกักขังเราก็ไปไปได้แต่นักปฏิบัตินักเดินทางเดินกายเวทนาจิตทำไหนกักเราไปอยู่ทำให้เราเก่งตรงนี้ด้วยมีปัญญาตรงนี้ด้วยแต่ก่อนเราเคยงโง่ เคยหลงอยู่กับเวทนาเคยหลงอยู่กับกายเคยหลงอยู่กับความคิดจิตใจเคยหลงอยู่กับกุศลบกุศลครอบความคิดความโมงเหงาหอนอนพวกมเศร้าหมองความโกรธเคร่งลัเลสงสัยเคยหลงผู้จเจริญสติจะได้ปัญญาตรงนี้เสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นจะได้ปัญญาเป็นเท็จเป็นจริงอย่างไร มันก็พาเราไปเรื่อยๆ อ, อารมณ์ของกรรมาฐานได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยการเจริญสติปัฏฐานได้คาตอบได้บทเรียนไปตะพิดตะเผยไปมันก็เป็นตำราคือกายกับใจนี่แหละความรอบรู้ด้ของสังขารคือกายสังขารจิตตสังขารที่มันแสดงออกมาเราก็ได้ปัญญาได้ปัญญาอยาก กายได้ปัญญาจากเวทนาได้ปัญญาจา ก, กจิตใจที่มันคิดพุ่งชติอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราจะให้ตอบให้มันถูกต้องก็เรียกว่าอาการซะเวทนาไม่ต้องเรียกวัยธาเรียกว่าอาการความโลภ ค, ความโกรธความหลงก็ไม่ต้องเรียกว่าความโลภ ค, ความโกรธความหลงก็ได้ เรียกว่าอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันไม่ใช่จิตความโลภความโกรธความหลง ม, มันไม่ใช่จิตมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตแต่ก่อนเราไม่รู้ก็เลือกว่าเราโกรธกูโกรธเรากูได้โกรธแล้วกูไม่ลืมเอาอาการบ้าเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่เที่ยงมันก็หลอกเราทำให้เราเสียเสียเปลี่ย ถ้าเราไปเอาความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตนก็เสียเปรียบเสียท่าไปเลยพูดพิจารปฏิบัติพอมีสติมากขึ้นมากขึ้นจะง่ายต่อว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นธรรมชาติธรรมชาติของจิตไม่เป็นอะไรบริสุทธิ์ปกติอยู่เป็นเป็นหลักเป็นเดิมแต่ที่มันเกิดคิดขึ้นมาทําให้เกิดอารมณ์เศร้าหมอง โรคโกดหลงเกิดกิเลสตัณหาลักะมันเป็นอาการของกิจไม่ใช่กิจแน่นอนแล้วการเหล่านะั้นมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนก็ถูกมันหลอกมาพอแรงแล้วพอเรามีสติรู้เท่ารู้ทันมันก็ไม่ยากไม่เหลือวิสัยแล้วก็พ้นจริงพ้นจากภาวะเดิร เรียกว่าได้อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานล่วงพ้นภาวะเก่าล่วงพ้นภาวะเดิมเคยหลงตรงนี้กลายเป็นความรู้ได้กลายเป็นความฉลาดเคยโกรธเคยโลภเคยหล ง, เ ค, หลงเคยวิตกกังวลเสมองพ้นไปพ้นไปย่างจริพ้นจากสภาวะเก่าๆเป็นปัจจัดตังรู้เองเห็นเอง ศรัทธาคาสอนศรัทธาการกระทำทำอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเลือกเป็นเช่นความโกรธไม่เป็นธรรมความไม่โกรธเป็นธรรมกว่าเลือกเป็นเลือกเป็นความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมกว่าความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมกว่าเวลาใดที่มันเกิดความทุกข์มันก็เลือ ก, กความไม่ทุกข์ เวลาใดมันเกิดความโกรธเราก็เลือกก็ความไม่โกรธเวลาใดมันหลงมากๆเราก็เลือกก็ความไม่หลงแล้วก็เลือกได้มีสิทธิด้วยเช่นเวลาใดเราโกรธเรามีสิทธิที่จะไปโกรธไหมมีสิทธิ์ไปที่จะไม่โกรธทุกคนมีสิทธิที่จะไปโกรธแล้วเราเคยใช้สิทธิอันนี้ไหมหรือว่ายอกมันไปเลยผู้ปฏิบัติธรรม รู้จักใช้สิทธิอันชอบทำความชอบทำต้องเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราเราไปหาความชอบทำจากเสียงอื่นวัตถุหาได้ยากเมื่อใดเราปฏิบัติไปเกิดความชอบธรรมในกายในใจเรามันก็เป็นธรรมเมืความเป็นธรรมจากชีวิตของเราจริงๆเราก็พึ่งได้ผู้ที่จเจริญสติศึกษาไปศึกษาไปกายมันจะบอกใจมันจะบอก ความเท็จความจก่งใหญ่มันจะบอกได้ความชอบทำพึ่งตนได้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ดูแลก้มร้อยก้มดีปู ป, ปแผแผละมีจิตมีใจก็เพิ่งคิต พ, พิ่งใจตัวเองไม่ได้เมไหมบางทีทําใจได้ยากไม่รู้วจะเป็นยังไงไม่มั่นใจตัวเอง บางคนก็ยังพูดในคำนี้อยู่แทนที่จะลบไปแล้วภาษาคำพูดแบบนี้แทนที่จะไม่มีในชีวิตเราไม่รู้วจะเป็นยังไงไม่มั่นใจถ้าจากนั้นมาก็พึ่งพาใสตัวเดงกไปเลแล้วจะไปใครจะพึ่งเราได้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นการทำให้เต็นที่พึ่งได้ที่พึ่งมีจิตมีใจก็พึ่งจิตพึ่งใจได้ ใช่กายใช่ใจอย่างถูกต้องแต่ก่อนนี้เครื่องบาปเครื่องบุญเรื่องของกายเรื่องของกิษเอากายไปทำชั่วเอาใจไปทำชั่วก็มีจนเป็นโทษเป็นภัยเป็นปัญหาต่อกันและกันแม้แต่ครอบครัวผัวเมียพันยาสามีพี่น้อง ยังมีปัญหาเรื่องกายเรื่องใจที่จะต้องให้เกิดผลกระทบผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะไม่มีปัญหาเรื่องกายเรื่องใจใช่กายอย่างถูกต้องใช่ใจอย่างถูกต้องใช่กายให้ทำก็ดีใช่จิตใจให้ทำก็ดีใช่กายให้เราความชั่วใช่ใจให้เราความชั่วเราจะใช่กายใช่ใจอย่างชอบธรรมก็มีความมั่นใจ เพราะทำอย่างนี้มันเกิดจากนี้ขึ้นมาสิ่งที่เราเคยเห็นก็เป็นของจริงนะเช่นว่าความโกรธมันไม่จริงมันไม่เป็นธรรมความไม่โกรธเป็นของจริงเป็นธรรมกว่าอ่นะเรเลือกกันมันเป็นชีวิตใหม่ๆเมื่อมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วสิ่งที่มีผลกระทบต่อการกระทําำของเราพอมั ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขส่ขสวนรวมเป็นความสุขส่วนรวมที่เกิดจากกายจากใจเราแต่ถ้าเราไม่รู้ก็เป็นความทุกข์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราก็มีเหมือนกันมีปัญหาแม่น้อยเ้ื่อวิชากรรมฐานจึงถือว่าเป็นวิชาหลักของพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เราก็ พากันวิตกังวลกันเราก็อ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนรถที่นั่งมาจากเคียภูมิมาถึงกรุงเทพเพ่าพระาวิตกงังวลคนเข้าวัดขาวาน้อยวันมาคาบุญชาคนมาน้อยแต่วันวาเลนไทยคนไปมากคนชาพุทเราก็เสียใจไม่ต้องเสียใจเรายังดูไม่ไม่ทั่ว แต่ถ้าพวกเราได้จับหลักของกรรมฐานจริงๆในปัญหาจะไม่มีความสงบร่มเย็นจะมีได้ทันทีก า, ารทะเลาะวิวาห์ก็จะไม่มีการเบียดเบียนตัวการเบียดเบียนคนอื่นก็จะไม่มีเหมือนกับที่หลวงพ่อได้พูดตั้งแต่เบางต้นกว่าการเจริญสติเนี่ยมันก็ละความชั่วการเจริญสติมันก็ทำความดี การเจริญสติจิตต้องก่บริสุทธิ์การเบียดเบียนตอนการเบียดเบียนคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นก็จะไม่มีเพราะ ม, ม, มันทำไม่ได้มันทําไม่ได้แม้แต่คิดมันก็คิดไม่ได้เพราะมันไม่ถูกต้องแม้แต่คิดก็คิดไม่ได้มันจะผิดศีลผิดทรรได้อย่างไรเพราะเราดูแลตัวเองอยู่เห็นอยู่ไม่มีตรงไหนปิดปังกำแพงชีวิตของเรา เปิดเผยออกมาทันทีผู้ที่ทจเจริญสติเอชีวิตเปิดเผยไม่มีที่รับจะคิดชั่วก็ไม่ได้จะพูดก็ไม่ได้มันจะไปผิดศีลผิดธรรมจะไปเบียดเบียนใครเมื่อตัวเองไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วมันก็อยู่ไม่ได้หรอกมันต้องไปช่วยคนอื่นมันอยู่ไม่ได้เ็นเราเคยโกรด พอเราไม่โกรธแล้วมันก็อยู่ไปได้จะไปช่วยคนอื่นให้เขาไม่โกรธให้เขาไม่ทุกข์เป็นงานเป็นการของเรามีงานมีการทำเมื่อเราได้สอนความจริงพวดความจริงให้คนทั้งหลายได้ศึกษาคนก็เข้าวัดเข้าว่ามากเข้าวัดเข้าว่าเพราะเราบอกความจริงเขาเราก็ทำให้เขาดูไม่ใช่พูดแต่ปาก นี่หลวงพ่อไปสอนทำที่สหรัฐอเมริกามีพลหลังคนหนึ่งเขามาบอกหลวงพ่อว่าไม่อย่ามาสอนผมนะไม่ต้องมาสอนผมจะให้ผมทำยังไงทำให้ดูเี่อย่ามาสอนนะเรารู้อะไรมากแล้ว โอ้หลวงพออ่อใจมากเวลานั่นหลวงพออ่อก็เดินจงกรมอยู่เวลานั่นก็เดินจงกรมอยู่ก็อบอกให้เขาว่าเนี่ยไม่ต้องสอนหรอกมาเดินดูสิเก้าวไปรูดสึกตัวเก้าไปรูดสึกตัวรูนะภาษาเขาก็อกเอาแหวอาแวเวนบอกก็เคาะเคาะไหลเขาเอาแวนเก้าวไปเจ็ดเอเ็ดเแหว เพราะไหลเขาลู่ลู่เป็นคลั่งเป็นคลั่งนะให้คุณทําอย่างนี้คุณเคยลู่อย่างนี้หนึ่งชั่วโมงใม่ใหมแต่ว่าโนโนโนโนโนคุณเคยลู่อย่างนี้สามสิบนาทีใม่ใหม่โนโนโนคุณเคยลู่อย่างนี้อย่างต่อเนื่องสิบนาทีใม่ใหมโนโนโนคุณจะพิสูจน์ไปถ้าคุณพิสูจน์เขาก็ต้องเตือนตัวเองให้ลู่เอง ไอ้คนรู้เองนะเออรู้ไปเออรู้ไปเดินไปเดินเขาก็รู้เขก็รู้เขก็เดินเขาก็สอนตัวเขาเนี่มันไม่มีคําถามเช่นนะกายานุปัฏนาเนี่ยมันเป็นหลักของกิ่งเช่นให้ทุกคนเอาเมือวางไว้บนเข่าดูสิทุกคนนั่งอยู่นี่เอามือวางไว้บนเข่าดูสิรู้จักเข่าไหม เขาข้างซ้ายเขาข้างขวาเอามือข้างขวาวางเขาข้างขวาเอามือข้างซ้ายวางเขาข้างซ้ายหลวงพ่อจะถามว่ามือของท่านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้ตอบได้ไหมตอบได้ไหมคำสอนนี่เป็นสอนให้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ทุกคนตอบได้มือของท่านทั้งหลายอยู่ตรงไหน ทกนก็ตอบได้ใช่ไหมมีคำถามหรือไม่ามือของเราอยู่ไหนถามคนอื่นไหมถามไหมไม่ถามเป็นอะไรเขาเรียกว่าปัจจัดตังแล้วนี่เลยปัจจัดตังคเคยลู่เองอย่างนี้ต่แคงมือข้างขวาดูสิแทงมือข้างขวาข้างเดียวนะูจากมือข้างขวาไหยตั้งไว้แล้วหลวงพ่อจะถามว่ามือข้างขวาของคนคว่ำอยู่หรือว่าตะแคงอยู่ ตอบได้ไหมถามหลวงพ่อไว้มือข้างขวาผมอยู่ยังไงถามไหมมีคําถามไหมนี่คือสั จ, จธรรมไม่มีคําถามยกขึ้นดูสิมือข้างขวายกขึ้นดูสิมือข้างขวรารอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้ยกอยู่หรือหลวงพ่อไม่ใช่มือข้างขวาของท่านวางอยู่บนเข่าเชื่อไหมทําไมไม่เชื่อหลวงพ่อเป็นอาจารย์น่ะ ทำไมไม่เชื่อนี่คือของจริงอาจารย์ก็หลอกลูกศิษย์ไปได้ลูกศิษย์ก็หลอกอาจารย์ไม่ได้นี่คือของจริงต่อบเขาเองนี่ไปนั่งการเจริญสติปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่ตนปฏิบัติตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัตินี่เป็นหลักภาวดา เป็นหัวใจของพุทธศาสตราสนาของเราอย่ามัวไปทำอย่างอื่นเลยให้พากันมาเจริญภาวนาขยันรู้ภาวนาคือขยันรู้เอากายของเรามาเป็นวัดสดุ ป, ประกอ์ผิดความรู้ออกมาเช่นของข้อจะสาธิตให้ดูวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งบางคน อ, อจาจจะที่ว่าแปลกนะแต่ว่ามันเป็น สัมปัญญาปปะพระนะเช่นเราก็จะนับดูนะ1ลูกใช่สองลูกสมลูกสี่ลูกห้าลูกหลูก7็ดลูก8ดลูก9ลูก10บลูก11อดลูก12ลูกสมลูก14ลูกวินัยทีหนึ่งลูกทีหนึ่ง มันเป็นอย่างนี้จะไม่เรียกว่ามหาสติได้อย่างไงวินาทีหนึ่งลู้ทีหนึ่งเนี่ยต้องเป็นมหาสติปัฏฐานแน่แวินาทีหนึ่งลู่ทิ้งก้าเดินเนาะก้าวหนึ่ ง, งวินาทีละก้าหนึ่งหรือไม่เกินนะั่นก้าทุกครัก็ลู้ลู้นี่คือหลักของสติปัฏฐานแต่ลู้วินาทีหนึ่งลูกครั้งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งจะได้กี่ลูก ลองคิดดูสพันหกร้อยลูกสองชั่วโมงได้กี่ลูกหก0ันหรอยลูกเ2 0 0พันสองอยลูกวันหนึ่งขยันลูกลองดูสิเอาอันนี้พิสูจน์กันเอาอย่าไปเอาเหตุเอาผลมาขัดไปแย่งกันให้โ อ, อกาสกระทาบุเกเบิกไปก่อนนี่หลักของกรรมฐานพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ ในระหว่างเก้าเดือนเกิดพระอรหนึ่งพันสองรห้าสิบลูปหนึ่งพันสองรหสิบลูปคือใครบ้าง น, นับดูก็ได้นับดูสิใครบ้างหนึ่งปัน ญ, ญาวัคีห้าเท่าไหรห้าเราใช่ไหมสองพยศักดิเป็นเท่าไรแล้วเราก็นับไปอีกสหายของพยศัสี่สิบห้าเป็นเท่าไรแล้ว นับทัพบีสามสิบอีกเข้าไปอีกขณะพระพุทธเจ้าเดินทางไปราชคฤห์ไปพบทัพบคีสามสิบนับข้าใสอีกเป็นเท่าไหร่แล้วนะอนับอุธการราบทอา้าไม่ใช่อะไรที่ที่อยู่ฝั่งแม่น้ำในรัญชลาอุรุเวลากัจสปะห้าร้อยขยากัจปะสามร้อย นาทีกะัะสปะสองร้อยสามพี่น้องเป็นพันแล้วเป็นเท่าไหร่ <100. S 1> อุ้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนี่ระหว่างเก้าเดือนเนี่ยคนเจ้าเดินสอนเราเนี่ขึ้นมาคนได้บรรลุธรรมที่สุดได้หลวงพ่อขอเราบปิดชอบเรื่องนี้ณนะที่วัดป่าสุกตะถ้าใครสนใจเรื่องการเจริญสติ ทุกคนมีวัสดุประกอ์อยู่แล้วเอากายเอาใจมาเป็นวัสดุประกณ์ผิดความรู้เสึกตัวขึ้นมานี่ตรงพ่ อ, อก็ได้มีโอกาสมาพูดที่สนามหลวงเป็นขั้นแรกในชีวิตบวชมาแล้วสี่สิบปีก็ตะเปตะปะเนาะก็ความจริงเนี่ยการพูดเนี่ยไม่ไม่ไม อาจจะเป็นการทําจําเอาสิ่งที่หลวงพ่อพูดพูดแล้วให้เอาไปทําพูดแล้วให้เอาไปทาไปทําดูมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่รู้แจ้งรู้จริงแล้วก็ค่อยถามแต่ว่าอย่าคิดมาถามให้ประสบการแล้วมาถามมันตรงกว่าเวลานี้ก็ขอให ขอเวลาให้ถามได้ไหมครับพ่อก็ไปใช่นักเทศไปใช่พานักเทศจะจัดสอนกันอย่างนี้ได้ครัพ่อชอบฝรั่งที่เขาบอกอย่ามาสอนผมนะอยาให้ผมทําใายบอกดูสิพาเดินจงกรมก็พาเดินจงกรมพายกมือก็พายกมือทำพาเขาทำอพนนี่เท่าไหรก็ได้แต่จะให้พูดนะไม่ค่อย ไม่ค่อยชัดเจนเนา ะ, ะมีคำถามอะไรไหมยาจะถามอะไรก็ถามได้ค่ะถ้าเจเริญสติไปแล้วแล้วมันเกิดเห็นว่าตัวเองมันว่างไปเลยอย่างนี้ค่ะเราเราจะเาะเป็นต้องแก้ไขอะไรยังไงหรือเปล่าเจ้าคะ๋อจะเจริญสติไปแล้วมันว่างไปเลยก็เห็นมันว่างาเรากลับมาเจริญสติ อย่าไปอยู่กับความว่างมาสร้างสติมาเคลื่อนมาไหวมาหายใจมาเดินจมกรมนะอย่ไปอยู่กับความว่างเห็นมันว่างแล้วก็กลับป่ากลับปาที่ตั้งเรามีงานอยู่เรามีงานเมืการอยู่ก็ามาทํางานของเราเรื่อยไปเจะเจะดินสติเรื่อยไปถ้าเดินจมกรมอยู่ก็เดินจมกรมกําหนดให้รู้ทุกก้าวที่เคลื่อนไหวไปนะอ่ะอานเป็นยังไนขอบใจ ป, ะปะ่าป้ แสดงว่าเป็นนักปฏิบัติจะขอเรียนถามว่าการเจริญสตินี่ถ้าหากว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะามาอยู่ที่จิตมากกว่าอยู่ที่กายอันนั้นจะถูกต้องหรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะส่วนไหนมาอยู่ที่จิตมากกว่าอยู่ที่กายสำหรับผู้ปฏิบัติ ถ้าได้อารมณ์แล้วโดยจากโลภทำนามธรรมโดยจากอาการของกายอาการของจิตดังที่หลวงพ่อได้บรรยายบา้าก็กํำจัดรู้สติไว้กับกายและค่อยทุ่มไปอยู่ที่ใจเวลา่จมันคิดให้มันทันความคิดอย่าให้มันคิดฟรีๆมันคิดเรื่องใดก็มารู้ทันมันแต่ว่าเราอยู่ที่กาย ถ้าจะพูดว่าสักสสบเปเซทุ่มไปคอยดูกิตที่มันคิดสักเจป็ให้มันทันให้มันทันการคิดใ น, นเรียกว่าผู้ที่ได้อารมณ์ของกรรมฐานอาจจะอยู่ที่กาย น, น้อยๆรู้สึกตัวไปก่อนแต่ทุ่มลงไปบำเพ็ญทางจิตเราเรียกว่าบำเพ็ญทางจิตแต่ว่าไม่ใช่เป็นนั่งเฝ้ากิตดูเฉย แต่ว่ามีอริบทที่อยู่ที่ตั้งไปอยู่แต่ว่ามุ่งสู่ที่จิตไม่ค่อยค่อยไปเฝ้าจิตเพื่ออะไรไม่จะคิดไม่ใช่อย่างนั้นเราอยู่ที่กายไปก่อนอาศัยกายเป็นหลักเป็นที่ตั้งเป็นลาเราไม่คิดขึ้นมาก็พัดทันทีรู้ดทันทีมันคิดข้างหนึ่งก็รู้ทันข้างหนึ่งมันคิดสองั้งก็รู้ทันสองข้างน้ำสการหลวงพอ่อเขถ้าเกิดจากปฏิบัติทำแล้วเกิด เบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วทำยังไงครับก็ปฏิบัติทําแล้วเบื่อไน่ายขึ้นมาทํำยังไงใช่ไหมใช่ครับเออสบายมากอันเดียวมันเบื่อก็เห็นมันเบื่ออย่าเป็นผู้เบื่อถ้าเป็นผู้เบื่อก็หมดเนื้อหมดตัวเห็นมันเบื่อหนายก็กลับมาเจริญสติรู้สึกตัวไปเห็นมันเบื่ออย่าเป็นผู้เบื่อเห็นแต่พื้นตเผยไป อะไรที่มันเกิดกันมาเห็นมันหัวเราะมันโอ้ยมาเอ้ยมันเบื่อน้อ่าเอ้ยมันทุกข์น้อสบายสบายเห็นเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นอย่าเข้าไปเป็นจะผ่านได้ตลอดถ้าเป็นเราผ่านมาได้นะเชโยผิวกับเขาถ้าเห็นเราผ่านได้สบายเลยหัวเราะมันมันสุขมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยหัวเราะมันมันคิดก็หัวเราะมันได้ เออมันคนเลือกกันเราเป็นผู้ดูวันเราออกมาดูมาดูกายมาดูใจขเราเขาจะแสดงอะไรให้เรามาเขาเห็นหมดเลยไม่สบายอย่าเป็นผู้เบือ่อขอกลาวมุนวัชกาพระคุณเจ้าทุสุภองนะคะในนาทีนี้คือว่า การที่หนูจะถามครั้งนี้ไม่ไม่ได้มีการนั่งสมาธิหรือการเจริญวิปัสสนาอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าเกี่ยวกับชีวิตชีวิตที่หนูไม่เข้าใจอย่างหนึ่งคือว่าการที่หนูเคยสูญเสียสิ่งที่รักไปไม่ว่าจะเป็นลูกหลานและก็หลวงพ่อมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งหลวงพ่อบวชอยู่14พรรษาแล้วก็หลวงพ่อได้จากไปเมื่อปีที่แล้วก็ได้ถามพระรูปนึงว่า หนูเนี่ยทำใจไม่ได้กับการที่หลวงพ่อมรนาภาพไปแต่จริงๆก็ต้องต้องทำใจให้ได้เพราะว่าการเสียแม่เสียพ่อเสียหลานเสียน้องเสียลูกไปเป็นสิ่งที่มันมีความทุกข์ใหญ่หลวงแต่ว่าพระคุณเจ้าลุมน้ก็บอกว่าการการที่โยมเนี่ยเสียใจในการสิ่งที่จากไปโดยเฉพา ะ, ะหลวงพ่อเนี่ยโยมก็นั่งนั่ง นั่งสมาธิสิแต่ว่าหนูก็ได้บอกไปว่าถ้านั่งสมาธิแล้วเนี่ยคิดว่าสติตัวเองจะต้องแตกนั่งไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อเป็นสิ่งที่ที่รักที่สุดในชีวิตรวมทั้งมารดาที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ทุกๆคนท่านก็ได้บอกว่าถ้าอยากจะให้วิญญาณท่านเนี่ยไปสู่สุกติซึ่งว่าดิฉันก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าอะไรยังไงท่านต้องบอกว่าอย่าร้องไห้ในในขณะที่ดูดูศพหลวงพ่อตัวเองเพราะว่า การเวียนศพรอบเมนนั้นน่ะหนึ่งวิญญาณเนี่ยจะวิ่งตามร่างไป2ถ้าเกิดว่าวิญญาณเนี่ยรู้ว่าเราซึ่งเป็นลูกเนี่ยมีความทุกโศกอะไรอรูณต่อร่างของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดว่าจับจะเป็นลมแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถมีสติตอนที่จ ะ, ะเผาหลวงพ่อตัวเองก็ขอให้จิตตรงนี้อย่าร้องไห้ อย่าโศกเพราะจะทำให้วิญญาณหลวงพ่อเนี่ยจะแบ่งเป็นสองจิตจิตหนึ่งจะไปดีอีกจิตหนึ่งจะเป็นห่วงและผูกพันต่อลูกและก็ลูกก็เลยคิดว่าการที่พระคุณเจ้ารูปนั้นสอนแบบนี้ก็พยายามระ ง, งับจิตใจแต่ก็ทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ก็มาตั้งสมาธิอีกตอนที่เก็บอัษิขขงหลวงพ่อว่า หลวงพ่อลูกนี้รักหลวงพ่อเป็นยิ่งนักทั้งมารดาบิดาเปรียบเสมือนพระที่สูงที่สุดเป็นเทพเป็นพรของลูกลูกนี้ไม่เคยได้เรียกร้องอะไรจากบิดาซึ่งให้มาแล้วไม่มีวันหมดสิน้นแต่ว่าถ้าลูกนี้จะเป็นหน่อเนื้อขอเกิดมาเป็นบุตรของหลวงพ่ออีกเนี่ยขอให้ลูกได้เจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของหลวงพ่อจนกระทั่งลูกไปเก็บอัฐิของหลวงพ่อไปตั้งแต่เช้าจินเก็บจน ถึงที่สุดแล้วจนแบบปลายปลายเอ่อปลายหัวกะโหลกแล้วลูกก็ไปเจอฟันของหลวงพ่อซี่นึงซึ่งเป็นฟันกรามแต่ว่าไม่ไม่เป็นสีเทาไปแล้วแต่ว่าลูกก็พยายามกดกดให้ฟันซี่นะั้นแตกออกไปแต่ว่าไม่แตกแต่ว่ามีความรู้สึกว่าหลวงพ่ออยู่ใกล้ๆแล้วก็บอกกับลูกว่าเนี่ยสิ่งนี้นะคือสิ่งที่ลูกจะได้ไปแล้วลูกก็ยังคิดว่า วิญญาณวิญญาณมีมีจริงเหรอแล้วก็หลักพุทธศาสนาเป็นอย่างไรสอนเราแบบนี้เหรอซึ่งว่าให้เรามีสติแต่เราก็คุ้มครองสติได้เลยที่เราไม่สติเราไม่แตกจากพระคุณท่านที่แนะนำว่าต้อ ง, ต, องต้องตั้งสติคำถามนี้ก็คือว่า 1. เราเราคิดว่าเราจะคุมสติไม่ได้ตอ น, นจะเผาหลวงพ่อเราสติจะแตกแต่สองในขณะที่เราเห็นล่า ง, งหลวงพ่อเราเนี่ยเรากับ สามารถคุมสติได้และก็สามการที่ได้ได้ไดฟันของหลุกพ่อมาเกิดจะแรงจิตอธิษฐานของเราเนี่ยไ ม, ไม่ไม่ทราบว่าอันนี้เป็นผลอย่างไรค ะ, อะตอนนี้หลวงพ่อก็หูยังอื้ออยู่พอลงจากเครื่องบินมาได้ไม่กี่บันสุขภาพหูเสื่อมไปแล้วก็เลยให้คน ผ, ผู้อื่นทำแทนค่ะ จะทำกายทำใจอย่างไรเกี่ยวกับการพัดพาดจ่างของรักของชอบใจที่สูญเสียไปเราก็ต้องรู้เราก็ค่อยบมเพ็ญจิตมาพอสมควรเห็นความเท็จความจริงเกี่ยวกับชีวิตความเป็นจริงอย่างไรได้ศึกษาได้เราได้เรียนได้ปฏิบัติมาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้พอสมควร จึงจะฝึกผลได้เกี่ยวกับการทําจิตทําใจไม่ใช่เราจะมาทําเวลาพัดพลาคจากสิ่งที่รักที่ชอบใจไปตทำตรงนั่นเลยมันก็ทําได้ยากก็ต้องล่องห่มล่องให้เสียอกเสียใจเป็นธรรมดาแต่ว่าการเสียอกเสียใจจากการพัดภาคจากของรักของชอบใจนั่นจนทําให้ตัวเองเศร้าหมองเป็นทุกข์นั่นก็ไม่สมควร จะควรที่จะช่วยตัวเองให้เป็นถึงคลาวางให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตของทุกสสิ่งมันก็ต้องมีของจริงมีการเกิดแก่เจเ็บตายเป็นธรรมดาถ้าจะให้เป็นการบรรลุธรรมตอนนั่นก็ได้เช่นพระศาสด า, า, าของเราสมัยเป็นเจ้าฝ้าฉชาย เห็นการเกิดเห็นการแก่เห็นการเก็บเห็นการตายเห็นสมณะเอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นการศึกษาหาคำตอบเรื่องในให้ได้ก็มองมองตรงกันข้ามเมื่อเมื่อเกิดก็ต้องมีไม่เกิดแน่นอนเมื่อมีแก่ก็ต้องมีไม่แก่แน่นอนเมื่อมีเก็บก็ต้องเมืไม่เก็บแน่นอนเมื่อมีตายก็ต้องมีไม่ตายแน่นอนไม่ยอมเลย ศึกษาเรื่องนี้ลองดูจนได้คําตอบแล้วพระองค์กอ็อุทานด อ, อกมาว่าสัมเพสังขารเิจาสังข า, า, ารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัเพสังขารทุคาติยธาปัญญาจะปัตสติเมื่อใดบุคคลเหตุด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเอหนืหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง นั่นแหละเป็นทางแห่งพระเนปานอันเป็นธรรมบทจบเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ม e มเมื่อนั่นย่อมเดยไหนในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลบนั่นแหละเป็นทางแห่งพระเนปานอันเป็นธรรมบทจบเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา เมื่อนั่นย่อมหน่ๆในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระเนฐานเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเอามาเป็นเรื่องการบรรลุธรรมก็ได้สําหรับผู้ที่พุทัดจนเด่เยาว์มาเป็นเรื่องทุกข์มองฝึกผลตนเองแล้วก็เห็นในนั้นตามความเป็นจริงพูดปฏิบัปิธรรมเจริญสติปัฏฐานจะพบอารมณ์อันนี้ เห็นใจลักษณ์ในรูปในนามเห็นความไม่เ hm ที่ยงที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามเห็นความเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามเห็นความไม่ใช่ตัวตนที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามได้ผ่านมาแล้วเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเราก็รู้แล้วรู้แล้วรู้ตั้งแต่สี่สิบปีโดวนว่าสิ่งนี้มันไปเที่ยงรู้แล้ว คำว่ารู้แล้วนเป็นภาษาของอัญญาคนทัตยะพระพุทธเจ้าทักทายอัญญาโกทัญญาว่าอัญญาสิอัญญาสิรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอรู้แล้วความไม่เที่ยงก็รู้แล้วความไม่เที่ยงหลอกเราอีกไปได้แล้วรู้แล้วความเป็นทุกข์ก็รู้แล้วความเป็นทุกข์จะหลอกเราอีกไปได้แล้ว รู้แล้วความไม่ใช่ตัวตนความไม่ใช่ตัวตนจนหลอกเราเป็นสุขเป็นทุกข์ไปได้แล้วนี่อัญญาสิกอัญญาสิกเป็นไปได้แต่ถ้าเราจะมาฝึกหัดตอนที่พัดผ่าจากของรักของเจ็บใจมันก็ไปได้พัดตาผ้าด้วยเขาย่อมเป็นไปได้ยากยามสงบเราจังฝึกยามสึกเราโลบได้อย่างนี้เ น, ะรรนาะธรรมดาธรรมดา อธิษฐานนี่อธิษฐานอธิษฐานในทางที่ดีมันก็เป็นปรมีทําลงไปเถอะไม่เป็นไรอืถ้าเป็นเรื่องดีอธิษฐานกับคนที่เรารักอธิษฐานลงไปเป็นปรมีเมเป็นการสร้างปรมีอธิษฐานนับปรมีทานบปรมีธรรมนัตเป็นปรมีเท่านั้นอธิษฐานไปไม่เป็นไรแล้วทําไปด้วยนะ ทำจิตทำใจไปด้วยอธิษฐานอย่างไงทำใจอย่างนั้นเกิดชาใดพบใดก็ขอเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันไปอธิษฐานไปมันมีความสุขแค่นิดหนึ่งใช่ไหมนันเป็นความสุขเช่นเราลักกันขอเป็นผัวเดียวเมียเดียวขอเป็นผัวเดียวไปเดียวอธิษฐานเช่นอางบางทีอาจจะเป็นความจริงเป็นผัวเดียวไปเดียวตลอดพบตลอดชาติตั้งไว้เถอะอธิษฐานไว้เถอะ ก็พุดวองค์ของเราก็อธิษฐานเราจะไม่ลุกจากทีน่นี้ถ้าเราไม่บรรลุธรรมในที่สุดโตองก็อธิษฐานก็เป็นจริงก็ทำให้มีความหนักแน่นไม่งอนแย่นกรรแขงกราบธรรมะการหลวงพ่อครับการเกิดดับเกิดดับเนี่ยหมายถึงว่าที่อยู่ในขันธ์หน้าจากการกำหน ด, ดรู้ <c oughs> นะครับ ที่อยู่เข้าใจว่าเป็นมองค์8คือไม่ทราว่าต่างกับเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปมีคำว่าตั้งอยู่นะครับตามนวัตการครับเหมือนกันไหมครับเข้าใจขอบคุณผู้ปฏิบัติจเจริญสติประฐานสี่ย่อมเห็นอาการเกิดดับของขันห้ามันเกิดมันดับตลอดเวลา เกิดทางกายก็มีเกิดทางใจก็มีอันนี้เป็นอาการเกิดดับของขันของลูกนามลูกนามไม่ใช่นา ม, มาลูกอันนี้เป็นอาการเกิดดับของลูกนามมีทั่วๆไปทุกชีวิตก็เกิดดับเกิดดับ i, ไปคิดเรื่องนี้ไปคิดตรืงนั้นเป็นสุขเรื่องนเป็นทุกข์เรงนั้นยินดีเรื่องนี้อันดีอันนี้เรายินดีของอันเดียวเรายินดีของอย่างเดียวได้ยินได้ มีไหมเรียว่ า, าการเกิดดับเป็นวัตถุ ก, ก็มีเป็นนามธรรมก็มีอาการเกิดดับอย่างนี้เรียกว่าเกิดกัดดับของรูปธรรมนามธรรมแต่อาการเกิดดับอี ก, กันหนึ่งอาการเกิดดับการก ด, ดับไปเหลือของขันธ์หน้าอันนั้นเรียกว่านามรูปถึงที่สุดแห่งทุกข์ถ้าอาการเกิดดับของนามรูปที่จะให้เป็นถูกเป็นทุกข์เพราะรูปพระนามไม่มีอีกแล้วเวทนาไม่เป็นทุกข์ สัญญาไม่เป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์วิญญาณไม่เป็นทุกข์อันนั้เนเลยว่าอาการเกิดอาการดับไม่เหลือของนามลูกคือที่สุดแห่งทุกข์เป็นจุดปมายปลายทางอันสูงสุดของการปฏิบัติธรรมการว่าเป็นปัญหาทางสุดท้ายแล้วพ่อขอถามพวกเราทั้งหลายว่าให้เป็นการบ้าน เราเกิดมาถึงปูนนี้แล้วถึงวันนี้แล้วสี 40, 50, 60, 70, ่0ิ0ห้าิหสบสิปีลองดูแลตัวเราเองดูสิความลูกกับความหลงอันไหนมันมากกว่ากันใครทุกคนต่อตเวาเองถ้าว่าเรามีความหลงมากมันก็จะหาความเป็นบุญเป็นกุศลได้ยาก เราอย่าไปโทษุูนโทษบาปโทษพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เราโทษตัวเองถ้าเราหลงอยู่แต่ถ้าเรารู้กกว่าควรหลงนั่นก็จะมีคำตอบทำอย่างไงเราจึงจะมีความรู้สึกตัวให้มากการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปเพียรพยายามตรงนี้จะได้คำตอบ ว่าบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานเป็นไงก็จะปิดประตูนรกด้วยมือของเราด้วยการกระทำของเราเปิดประตูสวรรค์ด้วยการกระทำของเร า, เรร า, รรเรามีการกระทำเท่านั้นที่มันเป็นลิขิตชีวิตของเราการกระทำก็มีเท่านี้จะสรุปให้ว่ามีแต่ตัวลูกกับตัวหลงเท่านั้นใช่หรือไม่ชีวิตของเราเลย มีแต่ตัวลูกกับตัวหลงไม่สออย่างเท่านี้เราจะทำยังไงจึงจะให้มีความรู้สึกตัวให้บ้ากการใช้ชีวิตรประจำวันนะเราขอให้เป็นการบ้านสำหรับพวกเราใช้ชีวิตไปกับการศึกษาปฏิบัติธรรมไม่มีการไม่มีเวลาขอยุติการแสดงธรรมวันนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ ด้วยความตั้งใจดีของพวกเราขอขอทิฏฐานจิตใจที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ร้อยโดยเสร็จจงได้เป็นตะบะเตชะข้ามจนนมสงให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขปราจักทุกโศกโรกภัยอันตรายทั้งปวงมีแต่อายุวร น, นาสุขภาะระการจิตการงานนันชอบโดยสินโดยทำให้สำเร็จตามความประสงค์ ได้มีโอกาสทำบุญให้ทานรักษาศีลและมีโอกาสเจริญปฏิบัติธรรมจนได้รู้ยิ่เห็นจริงในธรรมอันสูงขึ้นไปในชาติปัจจุบันด้วยการทุกคนทุกคท่านทธอ